นะครับซึ่งผมจะเลือกเฉพาะบางตัวใช้ในการทํางานทางคือตัวตัวเนื้อหาสรุปคร่าวๆซึ่ง อ่ะเมื่อครบสไลด์จบอย่างมีคําถามอ่ะเอจเนอรี่แทสิสแต่ ถามได้มากแปลว่าอะไรอะไรผมรู้ไม่ได้ ไม่เอานะครับๆไอ้นว่าอะไรให้ผมรู้ จะไปรับน้องเนี่ยรุ่นน้องถามพี่น้องอย่าลุกดิมันยากเออก็มันๆไม่ต้องฟังหรอกน้องจะได้เรียนเฮ้ยเอานิ่ง อ้อมด้านเลยวะไม่ต้องตรงนี้ให้จดเลยเช้าทั้งนี้เอาล่ะเพราะอะไรทําแปลเป็นอังกฤษก่อนเค้านะก็ <Yeah. S 1> ใครไม่เร็วแหน่ผมก็ไม่หน้าหรอกเออผมไม่ได้เว้ยใครจะช่วยตอบทิงหน่อยเดี๋ยวครบละอ๋อลองหัวหน้าดิอะไรนะฮะใครตอบอ่ะ แต่ไม่เอาชิปครูบาตรฝึกคิดซะบ้างนะไอ้เรียนแบบจัดย้าย ออฟฟิไม่ได้ขึ้นประมาณนึงนะอันนี้หลายอะอะพออยู่ อ่าไปตอบกระบาสปะแต่ยังไม่ครบ อ๊ะปาร์ตี้เอามั้ยเนี่ยคือคือรอถามดิให้ก่อนอะไรเนี่ย ใช้กับประโยชน์ที่ศิลปินบอกว่าขานิดหน่อยนึงฮะอย่างสุดๆบางคนก็ชอบแจกเหมือนกันแหละก็คือไอ้นะสร้างสรรค์ใหม่ อะไรก็ได้ขอให้มันใหม่ขอให้มันดีแต่คุณมี 1 วิชาใช่เดี๋ยวเรียนไม่ใช่เดี๋ยวยังตั้งยังก็ มันจะเป็นตราเอกสารวิศวกรรมอย่าอย่างในงานอ่อวิชานี้ อยากคุ้มค่ามันต้องคิดอีกคราวนี้ด้วยเสมอต้องคุณเอเจเนียเราจะไปทําโรงงานอ่ะไม่ค่อยคิดเรื่องเอาให้ดี คุณลงทุนเข้าไปเป็น 10 ล้านผลตอบแทนมันได้เท่า หาขากันแล้วโลดสิทธิเตคนไหนล่ะคนไหนอยู่ตรงไหนอ่ะทีนี้เขาคาเลยอ่ะหากิน เอาใช้ติ๊กเบอร์อะไรอ่ะลง 1 เบอร์อะไรใช้ทฤษฎีปัญญาอ่าสอบเสร็จเด้อใครที่ไม่ต่อทีคุณพี่ ไม่ได้นี่ทางนี้คนด้านหน้าการบ้านเก็บรวบรวมข้อมูลครับแล้วก็มามีช้อนตัวอืมผมไม่ ผมไม่เข้าใจสถิติต้องทําอะไรบ้างคําตอบผมยังไม่อยากรู้ผมอยากรู้ มาวันนี้กูจะเติรดนอต่อดิใครป่ะใครป่ะ ก็เก็บได้มาแล้วได้เก็บมาแล้วผม 0.0 ต้องมาว่าได้ 2.000 เองดิหือติดสอบไม่เธอออกมาได้ 2.40 ต้องต้องใช้ปัจจัยมั้ยไม่ต้องปัจจัย ห่างกว่า 50F ก็เต็มแล้วอ้าวใช่เหรอใช่อ่ะอ้าวที่โค้กเกนอ่ะอ๋อว่า 50F แต่ 60 ต้อง F ด้วย 80 ตัด ก็ถูกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีคุณ 40 ครับต่ําสุด 20 ไมโครแอมป์อะไรวะแต่ว่าตั้งเซ็นเซอร์ของ 10 บาทประมาณนั้นใช่ถูกว่าก็บอกไม่ได้หรอกเพราะอะไรครับเพราะคุณเก็บค่าโอ้ไข่เรียนคุณจะเรียน ใช่ป่ะเนี่ยเห็นตรงตรงเลยตกมาเรียบร้อยแล้วคุณจะนอน แต่การครั้งนั้นตัดสินใจ อ่าที่เราหลังตอกเดียวเนี่ยคุณมองเห็นข้อคลุมปัจจุบันดิอ่าบอกเก่าหรือเลยเมื่อวานแล้วกันก็วันใช่มั้ยทําไมไม่ ทำไมคุณต้องทําแบบเนี้ยอ่ะไม่รู้เพราะไม่ ก็มีความฟรีเกลือทั้งมีดาวล้อมอ่ะทําไมต้องเป็นดาวโอ้ยไม่เปิดที่ทาง <laughs> wantos que més, quen�urs que més. foundation de joues que més. глиusing monumphè, no? ที่ชาวมนคนไหนอ่าตอบๆเพื่อคงตอบได้ไม่จําเป็นนะข้อมูลเชิงคุณภาพคุณก็แปลงเป็นข้อมูล อะไรนะอ่าเริ่มๆใกล้เคียงแล้วนะครับนามเปล่าได้เลยอ่ะเอาใหม่นะหน้าชื่อถึงมีดาบูดี้เหรอถ้าดา โลมาก็จะวิชาเดียวกันอะไรนะทําไมต้องมีความไม่แน่นอนทําไมต้องมีความไม่แน่นอนอะไรต้องความไม่แน่นอนสิ่งนี้ ว่าคุณลบิสมมุติการทํานายการพยากรณ์ที่ใช้สถิติเพราะ นักดูวิชา 4 ปีใช่มั้ยอ่ะเอามารวมกันตาว่าใครแล้วใครละวิธีสารนะโหเดี๋ยวๆเอาแปลว่านักอะไร เอาไปเร็วเอกสารตัวทําง่ายๆแล้วการเป็นการปฏิบัติใดโดยบน <ม. S 1> บางแปลง่ายขึ้นมาต่อนะนี่คือวิชานี้ ก็อาศัยความรู้มอบไปคุณมีจะเหลือหรือ 1 เรื่องคือทุกครั้งในการ ก็คือเป็นวิธีการในการวิจัยก็คือเป็นวิธีการในการวิจัยเป็นภาษาในมหาวิทยาลัย Problem Solving แล้ว Research Methodology ในโรง Problem Solving เนี่ยรู้จักนะครับใน กระบวนการแก้ไขปัญหาเค้าจะมีขั้นตัว problem solving เอ่อ 2 ปีนะ ตะวันตกกับตะวันออกคุณเข้าใจ 2 ปีกก็คือนอกส่วนรบตวันออกจะมีญี่ปุ่นนะเป็น แล้วถ้าคุณไปอยู่โรงอยู่พวกสัญชาติอเมริกาส่วนมากก็จะใช้ 48 แต่ถ้าคุณอยู่ 2 อย่างเพราะพี่ <c oughs> <c oughs> 2, 2 ตัวไม่รู้ นะครับเป็น นะ. นะ. นะนะ นะ. นะ. นะ นะ. 2 ตัวคืออะไรคือ Problem Solving คือขั้นตอนในการแก้ปัญหาแต่อันนี้มันเหมือนกับ Sending Name อ่ะมันชื่อย่อมันก็ไม่ครับแล้วก็ Operator ก็เรียกไม่ต้องเลย ตัว 6 ซิม่าที่เรา 6 ซิม่าก็คือตัวซิม่าที่เป็นเท่าไหร่ทางสิทธิ์ตัวนี้ผมจะเล่า 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยหรือพวก ABS นั่น 5-6 ปีเพราะ มาแล้วส่วน QC Sorry เก่ากว่าอันนี้เกิดมาตั้งแต่ 95 กว่านะครับแต่กว่าก็จะแต่ 2 ตัวเหมือนกัน QC Sorry ก่อน คลาสแรกครับพวกมีกลไกในแก้ไขปัญหานะสิ่งที่คุณอะไรเออโค้ดทําโปรเจกต์ต้องมี อ่าอาจารย์คนนี้มีหัวข้อแบบนี้เหมือนกันนะเราจับกลุ่มกันขยับไปทําล่ะถูกป่ะๆไม่อยากนายก็ให้แต่สโคปกว้างๆ อันนี้เช่นค่าเปอร์เซ็นต์ของ 3 ตัวอย่างมันสูงเกินไปเออคือของเช่นค่าที่มันมากเกิน ครับแล้วตอนนี้คุณต้องมีตัวชี้วัดออกคร 5% yield ครครถูกได้เป็นตัวชี้ ถ้าเป็นในโรงงาน Project คือคุณเริ่มไปเก็บข้อมูลในเครื่องจักรเฮ้ยมันจากเปเปอร์ให้เขามีการทําอะไรการทํา เพราะว่าเอเนี่ยภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาเนี่ยปัญหาโอ้ของเห like? 5% เหลือ 2% ราเหลือ อาจารย์จ๋าคุณเป็นรถปริญญาอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณต้องตั้งป้ายอาจารย์มาอาจารย์อ่ะตั้งป้ายให้คุณเรียบร้อยว่าแต่ทําไมตามโบดต่างๆนะครับคือกระทําจริง ว่านี่คือบ้านเราอุตส่าห์ทํามาว่าทําไม่ได้ว่าเดี๋ยวตั้งเลยทําไม่เท่าไหร่ ทำไมต้องเป็นมะไม่ได้อะไรไม่สําเร็จขาดหนทางต้องขาดหนทางเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรให้ ไปกันไปก็ไปนกกลัวต้องมิ้นต้องเบนรู้ป่ะจักรยานจักรยานก็ไป เพราะการที่คุณไม่ปักหมุดทาร์เก็ตเอา 5 เฮ้ย 10% คุณก็อาจใช้วิธีการ 1% วิธีการต้องเปลี่ยนไปถูกป่ะวิธี การมีเป้าหมายมันคือการกำหนดว่าหมูก็ไม่มี มันต้องมีเป้าหมายเหมือนกันเพราะคุณเรียนจบมันไม่มีเป้า 3 ละจะ ว่า 3 คนอาจจะสุดาเสร็จเออกับเจนได้ละกูเลือกดีกว่าหรือว่ากูไม่บอกว่าทราบได้ดูป่ะเออถึงซึ่งรู้ตัวเองอย่าเราฝึกงานก็หลายคนถูกป่ะผมคิดว่า คนเยอะเลยอ่ะทําไมถึงดีไม่มีอะไรเลเชสไม่ทํางานนี้เป็นตัวป่ะตัวว่ามันก็ไม่แบบผมมาทุกคนเพราะว่าเออแล้วไปพยายามทํางานอะไรก็ตามในโปรโต ผมไม่ชอบถูกป่ะแล้วก็เปลี่ยนสายก็ได้นะครับก็ เดี๋ยวมาเตามาปรทบปรทบปรทบปรทบปรทบปรทบปรทบปรทบปรทบ แล้วก็ไปอยู่แท่นเพื่อนอยู่แท่นมาแล้วพัทบุญที่ว่าคุณไปอยู่ไหวก็ไปอยู่แต่ว่าตาทะเลอย่างแท่นน่ะทําไม 2 เดือนอยู่คนแท่นถึงจะขึ้นป่ะอยู่เพราะในแท็บเล็ตผู้ชายลืมไปเลยอ่ะยอดยอดไม่ทราบว่าแท่นอยู่แล้วลืมไป ให้ผู้หญิงไปจะเสียเปรียบไม่เป็นดีอ่ะคนไม่มีสิทธิ์มีเงินนะอ่ะแต่ถ้ามันอยากได้เงินเดือนดีอ่ะมันต้องอยู่ทํามันได้ไปอยู่บริษัท Chatton นั่นแหละอยู่ท่านบอกมีใครได้อย่างวะท่านที่อินโดแล้วมันเนี่ยหน้าเค้าผมอีกเป็น อยู่แท็บอินโดทั้งแทบไม่ดับหมดเลยอ่ะคือมันเป็นขาวแบบปลาอย่างคน 3 เดือนอยู่แท่น 1 เดือนออฟ 1 เดือนมีเวลาผมเลยต่อมันก็มาทุกวันเลยมาอะไรครับกูไม่ คนนั่งอยู่มหาวิทยาลัยคือรามาเดือนก็หาไว้ 3 เดือนแล้วโกแต่คนมันไม่มีทําด้วยไงคนเดียวว่าสาวนี้อยู่แทนแล้วไอ้ แล้วก็คือดีเห็นมั้ยครับมันไม่ไปแปลงเป็นไทยนะก็ ต่อเนี่ยไม่ได้เลยใช่เท่านี้อยู่ไม่นานนะ 6 ปีแล้วก็ออกก็ไป 2 ปีเกมก็ออกต่อนี้ก็ออกเพราะรับกันเยอะไม่ได้ประพบเคมีนะครับพบ วะไอ้มีปราทอมีคอนซีเมนต์กระป๋องละอุดวะผมไม่เคยอยู่บ้านคุณหมาตัวฟ้องตี ฟังไม่หลอยอยู่เหมือนกันพูดแหละว่าเข้าโรงงานพวกเนี้ยเข้าควบคุมลงอย่างเดียวไม่เคยขยับออกมา แล้วก็ปิดป้ายหน้าทําเปิดเลยเนี่ยโรงงานค่าระบุเนี่ย พอมายาขีรภคุนฝึกดับเพลิงนะสบายของอยู่เนี่ยมันมากสําหรับดับเพลิงเพราะคุณเนี่ยๆนะเพราะว่า 1 วัน ข้อเหนื่อยนะข้อมันควรได้ถ้าเราต้องสนับสนุนว่าเหมือนว่าคือเค้าต้องการสอนพวกคุณเนี่ยถ้ามีไฟไหม้ ว่าก็สายคุณเจนก็เหี้ยอยู่โทรอ่ะว่าก็ตาม มันก็ทํางานได้เรื่อยมันรู้จริงป่ะนะตอนหลังผมอยู่มันปูนนะเออเค้าเค้าให้ผมว่าเครียด เรามาแบงก็มีว่าไปทํางานไม่ได้หาที่เพื่อนผมอยู่ไม่ทันเลยเลยวันนี้คุณอย่างเดียวก็ <cười> สวัสดีครับขอเรียนเชิญนะครับผู้คุณ Root Cause Analysis อันนี้ RCA ในวงการวงการพวกโควิ้งก็รู้จักหมดนะ Root Root ROT อ่ะแล้วสาเหตุแล้ว Analysis ถ้าก็ไม่ถูกหรอให้พวกคุณอาจารย์ก็ RCA อันนี้เป็นศาสตร์องค์การเลยนะครับ ถ้าเป็นงานวิจัยของคุณก็คือหาว่าอะไรล่ะที่เราจะปรับหรือจะแก้แล้วไปส่งผลต่อไอ้ตัวนี้มันดีขึ้นเป็นอย่าง คุณทําแหลกอ่ะคุณดูแล้ว 10 ครั้งเนี่ยเหมือนกัน 10 ครั้งมั้ยเคยมีเออถ้าเหมือน ไอ้นี่ปรับแล้วเกิดอะไรนี่ปรับแล้วเกิดอะไรถึงขั้นตอนนี้ถ้าถ้าทําเช่นคุณรู้ ถ้ามันสูงกว่านี้แล้วโปรดักต์คุณจะดีแต่กับหมดเครื่องจักรคุณเนี่ยมัน ถึงไปเลือกทางได้แล้วแล้วดูซิว่าเฮ้ยก็ไม่ไม่หยุดซะผมแต่ผมบอกได้สองว่าที่ใช้ก็คือสิ่ง อ่าตกลงทําแล้วครับเอามาทดลองเฮ้ยนี่<า> แต่อาฟังนี่มันใช้งานอ้าวมันไม่ใช่แบบที่เราทดลองอยู่ว่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนไป นะครับ design of excellence ซึ่งเป็นหัวๆนะครับสุดท้ายจบแล้วถ้า standardization การดำมาตรฐานแซดดาร์บายเซชั่นก็ทําให้เป็นมาตรฐานในโรงงานเนี่ยเวลาคุณไป อีกไงเดี๋ยวพอไปปีเนี่ยคุณไปฝึกงานเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะได้ทําคือเนี่ยหน้า นะครับอันนี้ฮะนี่คือ QC Sorry คือขั้นตอนในการแก้ไข 2 คุณ แล้วก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วนะครับอเมริกาส่งปรมาจารย์ 2 ท่านคือ ดร. เดมมิ่งกับ ดร. จูแดนนะครับซึ่ง 90 จูแดน 104 ก็ 3 ปีนี้ 1900 เสียตอน 2014 มียืนยาว เป็นปรับปรุงคุณภาพนะครับเค้าก็ไปญี่ปุ่นไปได้ตามขั้น 30 ปีเนี่ย 1980 ไม่มีทางเป็นไปได้นะญี่ปุ่นชนะในการจิตสาภอเมริกาของเมดอินเจแปนสามารถขายได้ชนะเมดอินยูเอสแม้แต่คนเลยซึ่งเป็นประเทศผู้แพ้สงครามดูป่ะทําไมสามารถ คนอเมริกันทั้งพูดนะแต่ยุโรปอเมริกันไม่ดังเพราะสหรัฐอเมริกาส่งไป DMAIC หรือ Six Sigma เค้า ก็สามารถเล่นตัวย่อ DMAC นะครับเป็น Motorola นะครับเอ่อ Motorola เนี่ยเป็นคนคิด GE เอามาใช้ D คือ Defy ตัว Define m curvature measure measure ว่ามันแก no easure measure เทียบกับตรงนี้ก็คือไปวัดข้อมูล <Okay. S 1> the measure เมื่อ Me measure เสร็จมา analyze ก็เทียบเท่ากับ RCA ครับ อะไรสิมา implement สิก็ดีไง control ควบคุมก็เรียกว่า DMAC Define Measure Analyze Implement Control คือถ้าคุณเราดูไส้ไหน มันมันจะตําราไหนเนี่ยก็เหมือนกันตํารงการแก้ไขปัญหา <คน S 1> นะครับเอาเดี๋ยวเรียนให้ทราบบางอย่างเดี๋ยวก็ใช้ 2 ติ่งนี่ ถ้าถ้าคุณอยากอยู่พวกอเมริกาถามตรงนี้คุณจบไปดิถ้าคุณอยากอยู่พวกไทยๆ สำหรับพวกเค้าญี่ปุ่นข้อดีคือเค้ารู้ว่าคุณเนี่ยอีโนเซนต์มากเข้าไปปี แล้วอยู่ในตลาดญี่ปุ่นก็ก็คนหลายเรื่องว่าให้เยอะสุดๆก็ถ้าคุณเนี่ยอยู่สบายๆอยู่เรื่อยๆก็แล้วไม่เคยออก เข้าออกกันเป็นบ้าเล่นเพราะมันเครียดอ่ะมันดูอ่ะโยโย่คุณไม่เข้าตานายคุณก็โดนออกนะก็ก็ การที่เราแก้ไขปัญหาสิ่งนึงที่เราต้องมีเสมอคือเรื่อง 2 อาทิตย์ คุณจะมีการตัดสินใจใช่ป่ะคุณจะตัดสินใจ นี่ล่ะหมดเคล็ดดอกไปแล้วคุณต้องตกใจมั้ยทําไมอ่ะถอนหรือ หมดเวลาทางเลือกปัญหาไม่เรียบร้อยคุณไม่มีสิทธิ์ visible alternative อะไร เห็นคนจะตัดสินใจแล้วบางอย่างมันมีทางให้เลือกก่อนมันต้องมีมากกว่า 1 ด้วยเพราะต้องมีกระทั่งเลือกเดียวก็ตอบไปดิเมื่อตัดใจแล้วป่ะมันทําอะไรไม่ได้แต่ข้อมันมีหลายทางเลือกถูกป่ะเนี่ยผ่าน ถ้าคุณไม่มีทางเลือกคุณไม่มีทางเลือกจบพิธาเนี่ยก็ไม่มีละโอเคคือมันต้องมีอิสระต่อกันนะฮะการที่คุณเลือกทางซื้อบ้านหรือซื้อ ทำเพราะว่าผมไม่ได้อาจารย์ต้องซื้อรถไปซื้อบ้านด้วยเพราะไม่มีที่จอดเอาอยู่ไม่ได้คือบ้านซื้อบ้าน well.. sure 2 ทางเลือกนั้น คุณเลือกมันได้เป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจได้นะครับคุณ กลางลอยลอยรอเรื่องอ่ะรอไปรออะไรรอละรอเวลากำหมดเขตทอดแล้วเนี่ยหมดแล้วจะทอดไปก่อนรออะไรน้องอันนึงเตรียมนะเฮ้ยทอดเสร็จ รออะไรกูจะตั้งใจตอบไม่ตอบทีคุณมีทางเลือกอ่ะมันไม่ตัดสินใจไม่ได้หรอกมันขาไป 1 เรื่องคืออะไรข้อมูลข้อมูลข้อมูลเท่าไหร่ ทำพามพื้นเลย ลูกให้EX คุณอะไรตึงมากให้ย cliniciansไป Deeganยังจ Aladdin งว Kelsey หนicipา มอง exhausted นั่งคนในเร็ว Мих Suit scaffold hapak hap achat hap hap hap hap hap hud hong 맛 Lightning Rail away, Present Playstation Lambda can laugh. What just means twenty years? As a business partner.好好, Canto hunter'sball fi is a theme, making them three days old. What habillage is a plan and more board of them underneath. Well, what are you now? A and ไอ้หลายวิชาที่กูไม่สนใจไม่น่าสนใจตอนทํางานถูกมั้ยใครเยอะมากอะรู้อย่างดีๆแฮะถูกเปล่าไอ้คนวิชาอะไรก็ไม่รู้ว่าอะไร เออเราเรียกฝากกันไม่ดีครับวิชาคุณถือไม่สัมพันธ์วิชา มันก็พอนี่แหละคุณเลือกก็ไสโลชับนายก็สั่งงานก็ไต่ไปเรื่อยแล้วมันว่าไปทํางานว่าไอ้วิชานี่มันก็สําคัญสําคัญนะ คือแบบว่าถูกป่ะพอ 2 คุณเล่นฝั่งอ่ะถูกป่ะรอบคุณ 2 มีทางเลือกแล้วทางเลือกแล้วคุณ 1 ตัวเป็นตัวกําหนดเค้าเรียกแฟนออฟเมเจอร์แฟนสภาวะ คือสภาวะที่เกิดโดยธรรมชาตินั่นแปลคุณคุมไม่ได้ ไอ้เกรดสเต็ปออฟเมเจอร์คะแนนหรือเปล่าเห็นป่ะหรือป่ะเอ้ยไม่ใช่คะแนนเป็นสเต็ปออฟเมเจอร์เพราะค่อย อีกรอบนึงครับถอนไม่ถอนเซตอเวนเจอร์คือเกรดที่คุณได้ตอนไฟนอล A B C ถ้าถอนถอนโอ้เพื่อนๆที่กำหนดเท่ากันไม่ได้เองเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะถอนเพื่อนเท่า r หมด 200 a หมดโซ่เข้าไปเรียบร้อยแล้วกันถูกป่ะถ้าทําไม่ถ้าทําไม่ถอน a โอ้โหได้กําไรเลยป่ะรู้ป่ะฮะ ผลลัพธ์ของการตัดสินใจภายใต้สภาวะ 3 องค์ประกอบว่า 1 คืออัลติทูด 2 คือสเตท 3 คือเอาท์คัมคุณลองมาคิดเพียงแต่บางครั้งการตัดสินใจ ถ้าเราหลอกแกะออกมาเนี่ยมันจะแยกได้ 3 ทางถูกป่ะถ้ามันจะมีทางเลือกในใจอย่างมันจะทําอะไรไอ้ทางเลือกนั้นเนี่ยผลมันจะเป็นเลยว่าภายใต้เหตุการณ์พวก ถ้าคุณหยิบลงมาผลตกว่าแบบว่าทําอะไรวะเนี่ยถูก ไม่ใช่หรอตั้งแต่เรานะมีทางแล้วเท่าไหร่อ่ะไอ้ตัวอย่างที่ 2 ถูกไม 2 นะอาจ 3 4 5 ถูกป่ะใช่ป่ะเมื่อกี้ตอนนี้ลูกคุณกําลัง หลายๆพวกก็ปกปกเกี่ยวกับอะไรนะพอนี่เป็นอันคอนโทรลหรือว่าเช่นเฮ้เรื่อง ว่ามันแบบมันๆผลตกแบบออกแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับนี้เลยไม่ใช่นะคุณจะไม่เชื่อเหรอมันเกิดอะไรมันไม่คือแฟร์เมเจอร์นะแล้วแฟร์เมเจอร์เนี่ยมันก็คือ ไอ้พวกเปียกไม่เปียกหนักไม่หนักเนี่ยไปทางไปทางสิทธิ์ปิดไม่คิดต่อไม่ได้มันต้องประเมินมาเป็น value หรือเป็นค่าซึ่งส่วนมากทางธุรกิจการ ครับสุดท้ายเมื่อคุณมีตารางนี้ครบแล้วคุณก็จะเริ่มตัดสิน วิชาที่จะมาใช้การตัดสินเนี่ยคุณเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนแบบแรกเซอร์เทนตี้แปลว่าแน่นอนแน่นอนแปล ถ้าถาดนอกกากะทันทีเราก็รู้คงกลายเป็นเฝ้าขอมั่นใจป่ะหรือว่าเซอร์เทนตี้หรือว่าเอ๊ะถ้า 2 มิสมีความ เออมันอาจจะได้ F เอประมาณ 20% ป่ะ F หรือ 40% นะเริ่มมีโอกาสคือคุณเริ่มมีข้อมูลแต่ข้อมูลมันไม่ชัดอันนี้ข้อมูลชัดๆอันนี้ข้อมูล ถ้ามีความเสี่ยงแน่นอนว่ามันมีเงื่อนไขตามหน้าจะเป็นเท่าไหร่กับความสุดรู้อะไรเลยเหมือนแต่ตอนเนี้ยใคร ไม่รู้อันเซอร์เทนตี้ไม่รู้อะไรเลยเหรอการตัดสินใจก็จะ สิก็ไปดูละนะครับเป็นชัยชนะในบาเรื่องการตัดสินใจภายใต้คือใช้กั๊กคือการ <c oughs> ว่ารู้ก็ไม่รู้จะไม่รู้ก็เป็นตัวที่โด่งดังมากในต่างๆนะครับคุณเคยดูหนังเรื่องดิวตี้กูมายแล้วนะขอชื่อไทยทันมั้ยเนี่ยทันดิเพราะ ไปหาดูนะครับเป็นหนังที่เกี่ยวเรื่องเนี้ยเกมเทอรีนะคือจอห์นแนชนะครับจอห์นแนชเนี่ยคิดทฤษฎีเกมเทอรีต่อทําเรียบเอที่ ซึ่งกิจการกล่าว่ามีคนทุกคนนี้เกิดขึ้นนะครับเกิดเข้าหาว่าเป็นบ้ามีสิทธิทางการแท้เพราะว่าคือเป็นคนที่เอ่อไม่ทางสติแล้วเค้าถือว่า ถ้าใครเรียนทางพเศษศาสตร์นะครับก็ต้องเรียนออกแกงเซอร์รี่พเศษศาสตร์พวก คุณจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเงี้ยท่านจะต้องพิจารณาครับอ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงที่ 6 อย่างที่บายเมื่อกี้ตกลงแล้วสติต้องตัดสินไว้อาจารย์มี ครับถ้าสิทธิจะเริ่มเข้าวิบัตบาทเริ่มมีอ่ะอภิธานเริ่ม ครับไม่ได้กิน 15 นาที